จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่า ง, างจึงได้ตั้งใจ่าว่า เพื่อมาสร้างบุญสร้างคุศลสร้างบารมีที่เป็นเหตุที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญ น, นำพาชีวิตให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน ที่จะสร้างบุญบารมีเพิ่มเป็นกรณีพิเศษต่างจากเวลานอกพรรษาเพราะเห็นว่าช่วงเข้าพรรษานี้เป็นช่วงที่ควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบุญบารมีบางท่านก็จะตั้งใจว่าจะรักษา ศีลห้าให้ได้ตลอดบางท่านก็ตั้งใจว่าจะทําทานใส่บาต ท, ทุกวันบางท่านก็ตั้งใจว่าจะมาวัดทุกวันพระเพื่อมารักษาศีลแปดมาปฏิบัติธรรมบางท่านก็ตั้งใจอจะละอบายมุขต่างๆเช่นตลอดสามเดือนนี้จะไม่แทงหวยจะไม่ซื้อลอตเตอรี่ บางท่านก็ตั้งใจว่าตลอดสามเดือนนี้จะไม่ดื่มสุรายาเมาบางท่านก็ตั้งใจว่าจะไม่เที่ยวกลางคืนนี่คือเสียงต่างๆที่เราชาวพุทธจะมาปฏิบัติกันเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้มีเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับเปลี่ยนน้ำมันจาก91มาเป็น95เพื่อให้รถยนต์มีพลังมากขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นการเดินทางของพวกเราก็คือการเดินทางสู่บ้านของเรานั่นเองตอนนี้เราเป็นเหมือนกับ คนหลงทางหาบ้านไม่เจอเราจึงต้องสร้างบุญบารมีที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางพาให้เราได้ไปถึงบ้านของเราที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ ก็อยู่ที่เหตุคือการกระทำของเราเหตุอะไรการกระทำอะไรที่จะเป็นทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากันก็คือการทำความดีและการกระทำบาป ก, การชำรดใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่ได้แสดงมาสักครู่นี้ เช่นการใส่บาตรทุกวันการรักษาศีลห้าการมาวัดในวันพระมารักษาศีลแปมาเจริญจิตตะภาวนาการละเว้นอบายยมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการกระทำเหล่านี้แลที่จะเป็นเหตุที่จะพาให้ชีวิตเรา ให้ได้เข้าสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงให้เราได้ไปถึงบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการที่เราจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคืออะไรตามความเข้าใจของญาติโยม ก็จะคิดว่าเป็นการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ได้แฟนเป็นคนดีขอให้ได้งานดีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นความหมายของอธิษฐานบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ความหมายของอธิษฐานบารมีที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ก็คือความตั้งใจที่จะกาททาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลดีขึ้นมาเราต้องอธิษฐานตั้งจิตไว้ที่เหตุอย่าไปตั้งจิตไว้ที่ผลเพราะผลมันไม่เกิดด้วยการอธิษฐานผลมันจะเกิดด้วยการกระทําก็คือเหตุเราจึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่เหตุ คือการกระทาอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ว่าจะตั้งใจทำบุญทาทานทุกวันจะตั้งใจรักษาศีลทุกวันจะตั้งใจมาวัดทุกวันพระอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีเพราะก่อนที่เราจะทำอะไรให้เกิดผลขึ้นมาได้เราต้องมีความตั้งใจก่อน อย่างวันนี้ยาติโยมมาที่วัดนี้ได้เพราะอะไรเพราะมีความตั้งใจเมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้รู้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดอยู่ในท่วงวันหยุดเข้าพรรษาอยากจะทําบุญอยากจะสร้างบารมีก็เลยตั้งตั้งใจตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันนี้จะมาวัดเพื่อมาทําบุญนี่แหละเรียกว่าอธิษฐาน บารมี <Ừ. S 1> การที่เราอธิษฐานอะไรแล้วจะทำให้เป็นผลขึ้นมาได้เราก็ต้องมีสัจจะบารมีมาสนับสนุนถ้าตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความจริงใจพอถึงเวลาจะมาก็เปลี่ยนใจอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วจะไม่เปลี่ยนใจ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัยเช่นน้ำท่วมเดินทางมาวัดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยถึงแม้จะมีสัจจะ ก, ก็ไม่สามารถทําตามสัจจะได้แต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเรื่องของเหตุสุดวิสัย ถ้าเราไม่มีสัจจะพอเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะเกิดความเกียดครามอยากจะนอนต่อก็เลยเปลี่ยนใจว่าไว้ไปวันหลังก็ได้ปราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะอธิฐานความตั้งใจที่เราตั้งใจไว้ก็จะล้มเหลวไปพอล้มเหลวแล้วผลที่เราอยากได้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้น ถ้าเราตั้งอธิษฐานแล้วตั้งใจแล้วว่าจะมาวัดสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือต้องมีสัจจะความจริงใจอย่ากโกหกตัวเองอย่าหลอกตัวเองไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้เราก็อย่าไปตั้งอธิษฐานเพราะเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยไป ตั้งอธิษฐานทีไรก็ล้มเหลวไปทุกทีอย่างนี้อย่าไปทำถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้อย่าไปตั้งอธิษฐานไว้ให้เรามีความแน่ใจแล้วเราค่อยตั้งแล้วเราต้องมีสัจจะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงตัวเองหลอกคนอื่นม้ยังพอหลอกได้เพราะเขาไม่รู้ แต่หลอกเรานี่หลอกไม่ได้แล้คนที่ถูกหลอกคือตัวเราก็จะเป็นคนที่รับความเสียหายดังนั้นขอให้เราฝึกการมีสัจจะไว้เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรกับใครมีสัญญงสัญญาอะไรกับใครเราต้องรักษ า, าสัญญาที่เราได้ให้กับผู้อื่นไว้ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนเป้นปลอน คนหลอกลวงซึ่งจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่ไม่มีสัจจะนี้เป็นเหมือนคนที่ไม่มีคุณค่าราคา<ม>พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อคนที่มีสัจจะนี้ถึงแม้จะตายไปแล้วคําพูดก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นคําพูดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตายไปแล้วต้องสองพัน ห้าร้อยกว่าปีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนที่ฟังแล้วเชื่อถือและสามารถนำเอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นขอให้เราฝึกหัดนิสัยให้มีสัจจะทำอะไรก็ให้ทำด้วยความจริงใจจริงจังอย่าทำแบบเล่น เพราะชีวิตเราไม่ใช่เป็นของเล่นชีวิตของเราเป็นของจริงความสุขความทุกข์ที่เราได้รับก็เป็นของจริงดังนั้นเราอย่าทําอะไรเล่นๆ เ, เพราะทําเล่นๆแล้วมันจะไม่ได้ผลที่เราต้องการแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความว่างเปล่าเกิดมาก็เหมือนกับคาที่เขาพูดว่าเสียชาติเกิด เกิดมาแล้วก็คว้างน้ำเหลวไม่สามารถทําอะไรให้เป็นเป็นผลขึ้นมาได้เพราะขาดสัจจะดังนั้นต้องฝึกสัจจะเอาไว้อยู่เรื่อยๆมีคำพูดว่าก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่พอเราพูดไปแล้วคำพูดมันจะเป็นนายของเราดังนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรคิดให้ดีเสือก่อนว่า เราพูดไปแล้วเรารักษาคาพูดของเราได้หรือไม่ถ้าเราไม่สามารถรักษาคาพูดของเราได้อย่าไปพูดแล้วเราจะได้ไม่ถูกาตาหนิติเตียนหรือไม่ต้องเป็นหนี้ของคำพูดเราพูดอะไรแล้วเช่นสัญญากับใครว่าจะให้เงินเขาแล้วนี่พอพูดไปแล้วนี้ต้องให้เขาแล้วเป็นหนี้เขาแล้ว ถ้าเราไม่อยากให้อยากไปพูดการเสียทรัพย์นี้มันไม่ไม่ร้ายแรงเท่ากับการเสียสัจจะสัจจะนี้มีคุณค่ากว่าทรัพย์สมบัติมากมายเพราะสัจจะนี่แหละที่จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทรัพย์ต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเรามีสัจจะเราไปกู้เงินที่ไหนเขาก็จะให้เรากู้ทันที เพราะเขาเชื่อเครดิตของเราเพราะเรายืมที่ในเราก็คืนเขาทุกครั้งไปแต่ถ้าเรายืมเงินใครมาแล้วไม่ไปคืนเขาครั้งต่อไปอย่าไปหวังจะยืมเงินจากเขาได้เลยเพราะเราไม่มีเครดิตเราไม่มีสัจจะนั่นเองดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของสัจจะที่เราจะต้องมีในการที่ เราจะตั้งอธิษฐานเพราะถ้าเราตั้งอธิษฐานแล้วถ้ามีสัจจะเราก็จะได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจได้นอกจากมีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิ ร, ยริยะบารมีและขันติบรารมีมาสนับสนุนเพราะถึงแม้จะมีสัจจะพอถึงเวลาจะต้องทําสิ่งที่ตั้งใจจะทํา พอเจอความยากลำบากขึ้นมาก็เกิดความท้อแท้ยอมแพ้ยกถงขาวขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าขาดวิริยะบารมีขาดขันติบารมีเพราะการกระทำความดีต่างๆนี้เป็นเหมือนกับเดินขึ้นเขาไม่ใช่เป็นของง่ายไม่เหมือนกับการทำบาปเหมือนกับการเดินลงเขาการทำความดีนี้ ต้องมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะมีความพยายามและมีความอดทนเพราะมันไม่ใช่เป็นของง่ายมันเป็นของยากแต่มันเป็นของที่ไม่สุดวิสัยถ้าเรามีวิริยะบาราีคือความอุตสาหะความภาคเพียรมีขันติบาราีความอดทนเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่มนุษย์สามารถจะกระทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมีในขณะที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพตอนก่อนที่จะประทับทรงตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าจะนั่งภาวนาจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาไปจนกว่าจะได้พบความจริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าตาบใดใจนี้ยังมีความทุกข์อยู่จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายนี้จะตายไปก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาดยกเว้นว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นอันนี้คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือนหก่อนที่จะทรงตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีความภาคเพียรไม่มีขันติความอดทนก็จะไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนั้นได้จนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่เชื่อว่ายากไม่ยากลองนั่งดูลองนั่งดูสักสี่ห้าชั่วโมงดูดูว่าจะนั่งได้หรือเปล่า ความจริงมันน่าจะได้เพราะไม่ต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆเท่านั้นเองแต่มันเป็นสิ่งที่ยากแก่จิตใจที่ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยจิตใจที่มีแต่ความโลภความอยากต่างๆจะเห็นการนั่งเฉยๆนี้เป็นสิ่งที่ยากมากจึงไม่มีใครสามารถที่จะนั่งเฉยๆกันได้อยู่ไม่เป็นสุขกัน ต้องดินหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่สามารถหยุดความโลภหยุดความอยากได้นอกจากการที่จะมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ทำให้เราพอได้ทำให้เราดับความโลภดับความอยากต่างๆได้ อย่างที่พวกเรากำลังมากระทำกันในวันนี้เป็นการมาปฏิบัติเพื่อหยุดความโลภหยุดความอยากเป็นการมาสร้างความพอให้แก่ใจเพราะความพอนี่แหละนำความสุขมาให้ไม่ใช่ความอยากความอยากนำความหิวมาให้นาความวุ่นวายใจมาให้แต่ความพอนี้นาความอิ่ม นำความสุขมาให้เราจึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานกันในช่วงเข้าพรรษานี้ให้เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นตามกำลังของเราถ้าเราทำทานได้ทุกวันก็ทำไปถ้าเรารักษาศีลห้าได้ทุกวันก็ทำไปถ้าเราเข้าวัดทุกวันพระได้รักษาศีลแปด มาค้างคืนที่วัดปฏิบัติทำได้ก็ทําไปถ้าเราละเว้นการเล่นการพนันได้ไม่ต้องแทงหวยไม่ต้องแทนวัตเตอรี่สักสามเดือนถ้าทําได้ก็ทําไปถ้าเราเลิกสุรายามเมาได้ก็ทําไปเลิกเที่ยวกลางคืนได้ก็ทําไปแล้วเราจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน ทุกวันนี้เราเป็นธาตุของสิ่งที่เราอยากทากันพออยากแล้วถ้าไม่ทำก็จะเกิดอารมณ์ขุนมัมขึ้นมาเกิดอารมณ์หกรดเกลียดลำคาญใจแต่ถ้าเราเลิกได้เราก็จะไม่มีอารมณ์ขุนโมวเวลาอยากไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะมีอารมณ์ขุนมัมแต่ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ไปเที่ยวต่อไปนี้ พอมันอยากเราก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากได้ความหงุดหงิดความลำคาญใจก็จะหายไปต่อไปก็ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านสบายเก็บเงินเก็บทองร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้คนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นเพราะว่าเขารู้จักเก็บเงิน เขาไม่ใช้เงินแบบที่ไม่เกิดประโยชน์เงินทองทุกบาทที่เขาใช้ไปนี้จะต้องได้คืนกลับมามากกว่าที่เขาใช้ไปคือก็จะใช้ไปกับการลงทุนเขาจะไม่ใช้ไปกับการเที่ยวเตะกับการเสพอบายมุขต่างๆที่จะไม่มีผลตอบแทนกลับมามีแต่จะดูดทรัพย์ที่มีอยู่ให้หมดไป คนที่ไม่ร่ำไม่รวนี้ก็เพราะว่ายังเสพอบายมุกกันอยู่นั่นเองเสพสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนต่อให้หาเงินได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันที่จะเก็บเงินทองเหล่านี้ที่หามาได้ถ้าเปรียบเหมือนกับถังน้ำก็มีรอยรั่วต่อให้เติมน้ำเข้าไปมากน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ถ้าอยากจะเก็บน้นให้เต็มถังได้ก็ต้องอดรอยรั่วรอยรั่วของพวกเราก็คืออบายามุกนี่เองการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเสพสุรายาเมาถ้าเราอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์มากเราต้องอดรอยรั่วดี ไม่ใช่เป็นเล่นการพนันไม่ใช่ไปแทงลอตเตอรี่แทงหวยแทงมากี่ปีแล้วถ้ามันจะรวยมันควรจะรวยไปนานแล้วมันมีแต่จะจนลงจนลงพะงงบนมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆถ้าเอาเงินที่ไปแทงลอตเตอรี่นี้มาเก็บเอาไว้ป่านนี้ก็เป็นเศรษฐีแล้ว <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราไม่มองไม่คิดกัน <c oughs> เพราะเราอยากจะได้เร็วๆ อยากจะได้ไวๆอยากจะได้มากๆอยากจะได้แบบง่ายๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่มันจะมาแบบง่ายๆถ้ามาแบบง่ายๆพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้ากันไปหมดแล้วหรือเป็นนายกรัฐมนตรีกันไปหมดแล้วเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วแต่ของพวกนี้มันมาได้แต่ต้องมีวิธีต้องรู้จักวิธีก็คือวิธี อุดรอยรั่วหาเงินมาแล้วต้องรักษาเงินไว้ให้ได้ถ้าใช้มันก็ต้องให้กได้กลับคืนมาต้องได้กําไรถึงจะใช้มันถ้าไม่ได้กําไรอย่าไปใช้มัน เ, เก็บเอาไวอา้อย่างนี้แหละถึงจะเป็นเศรษฐีได้ลองไปศึกษาดูประวัติของเศรษฐีทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเขาไม่เล่นการพร น, นันเขาไม่ดื่มชัรายาเมาเขาไม่เที่ยวกลางคืน แม้แต่วันหยุดเขาก็ไม่มีเขาทำงานเจ็ดวันต่ออาทิตย์ทำทั้งปีทั้งชาปีหนึ่งอาจจะหยุดแค่สองสามวันเท่านั้นเองนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่ยากได้คือเราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจมีวิรยิยะความขยันหมั่นเพียรมีขันติความอดทน ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเราจะได้อย่างพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่คุณธรรมทั้งสี่นี้อยู่ที่ความตั้งใจอธิษฐานอยู่ที่ความจริงใจสัจจะอยู่ที่วิริยะความขยันหมั่นเพียรอยู่ที่ขันติความอดทนอดกลั้น นั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขความเจริญมากขึ้นเราก็ต้องมาสร้างเหตุมาทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเหมือนกับชาวนาชาวไร่เวลาเขาอยากจะได้พืชผลเขาทำอย่างไรเขาไปปลูกพืชกันช่วงหน้าฝนเขาก็ไปปลูกข้าว ปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วไม่นานต้นไม้เหล่านั้นก็จะเจริญเติบโตออกดอกออกผลขึ้นมาเขาไม่ได้นั่งอธิษฐานจุดธูดเทียนสามดอกขอให้ปีนี้นาะข้าวมีข้าวออกมาขอให้ผลไม้ต่างๆออกมามากๆเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นอธิษฐานอธิษฐานต้องตั้งใจว่า ปีนี้จะหว่านจะไถกี่ไร่จะปลูกต้นไม้กี่ต้นแล้วพยายามทําตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนพอเขาทาเสร็จแล้วเขาก็นั่งรอให้ผลเกิดขึ้นมาได้ไม่นานต้นข้าวก็ออกรวงไม่นานต้นไม้ต่างๆก็ออกผลให้ให้เขาเก็บเกี่ยวเอาไปขายได้ สันใดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองมีความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเหตุที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนแล้วคือให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเช่นทําบุญทําทาน ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงการกระทำไม่ดีอย่าไปทำอบายามุขอย่าไปเสกแล้วก็ให้เรามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตัดความอยากอย่า ก, กระทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากเงินทองก็จะไม่รั่วไหลที่เงินทองที่รั่วไหลก็เพราะความอยากนี่เองอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทาน แบบไม่มีเหตุไม่มีผลแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอย่างนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองมีความสุขได้แต่ถ้าเราตัดความโลภตัดความอยากได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความอิ่มความพอนี่แหละคือเหตุที่พวกเราควรจะตั้งอธิษฐานกันไว้ เราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมจะละการกระทําบาปทั้งปวงจะชําระใจให้สะอาดด้วยการตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราทําได้เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปถึงพระนิพพานแล้วก็นาเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันหมดสิน้นก็ขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม จะละบาปทั้งปวงและจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นับรองได้ว่าถ้าทำแล้วผลจะต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้เป็นของคู่กันไม่ไม่มีอะไรที่จะมาแยกเหตุกับผลนี้ได้แม้แต่การเวลาก็แยกไม่ได้พระพุทธเจ้าได้สร้างเหตุแ ล, ละรับผลมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปี เหตุกับผลในวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนอยู่ยังเป็นเหตุเป็นผลอยู่ทาบุญละบาปชาระใจให้สะอาดได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้เราไม่ต้องไปสงสัยขอให้สงสัยที่ตัวเราว่าเราจะมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติหรือเปล่าเท่านั้นถ้าเราไม่มีต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาให้ได้ ทำไปเถิดจากเล็กไปหามากจากน้อยไปหามากตั้งอธิษฐานในสิ่งที่ง่ายๆก่อนสิ่งไหนที่เรารู้ว่าเราทำได้แต่เราไม่ทำเราก็ควรจะทำไปก่อนแล้วค่อยไปทำในสิ่งที่ยากต่อไปแล้วต่อไปเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแล้วเราก็จะได้ผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐต่อไป